นั่งกลางสบายนั่งน้อนมอมือก็ได้นั่งปกติงานหยอดทัวร์ทั่วภูก็จบลงด้วยดีงานนี้คนมาร่วมนี้เรียกว่ามากมายเป็นประวัติการเกินความคาดหมายมีคน เรา ม, มาร่วมทั้งสองวันก็คิดว่าเป็นพันนะวันแรกก็พันห้าวันที่สองคงจะเป็นพันเหมือนกันที่จริงก็ต้องการคนแค่สี่ห้าร้อยคนแต่ก็มากันเยอะมากอันนี้ในด้านหนึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของโซเชียลมีเดียเช่นเฟ e บุ๊ k พอคนได้ข่าวก็กระจายกันต่อไปแชร์กันไปคนนี้แชร์คนนั้นแชร์ข่าวหยอดถวงก็เลยกระจายออกไปกว้างทั้งทั้ง ท, งที่ตอนแรกก็ก็กระจายเฉพาะในหมู่แหลทวงคนรู้จัก เ, เพื่อนของเพื่อน รล่มก็กระจายไปสู่เ พ, เ, พเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนให้เป็นลูกโซ่คนก็เลยมาร่วมกันมากแต่จริงเพียงแค่รับรู้ข่าวคราวอย่างกว้างขวางเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะดึงดูดคนให้ให้มาที่นี่ได้ คนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จักที่นี่แล้วก็แต่คงจะรู้่วมันไกลแต่ที่มากันเยอะแยะนะคงเพราะว่าอยากจะทำอะไรที่มันดีมีประโยชน์คนธรรมชาติคนเราก็ปรารถนาที่จะทำความดีปรารถนาที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์รอคอยโอกาส พอรู้ว่าที่นั่นที่นี่นะมีโอกาสที่ตนเองจะทำอะไรได้โดยพอการช่วยแบ่งเบาความทุกข์ช่วยเหลือสิ่งที่ประสบปัญหาอั่างเช่นเวลาได้ข่าวว่ามีเหตุการณ์น้ำท่วมมีสึนามิที่ไหน หรือว่ามีดินะลงัมที่ไหนเจอใครที่เดือดร้อนก็ผู้คนก็เข้าไปช่วยเหลือยื่นมือนะไปทำอย่างนั้นอย่างนี้้ขอเพียงเขารู้สึกว่าหรือเขาไว้ใจว่าเออที่นี่นะมีคนเจ้าภาพก็ดีหรือว่าผู้ที่ประสบภัยก็ดีเขามีความเดือดร้อนจริงๆ ก็อยากจะไปช่วยเฟซบุ o กก็เป็นการเปิดเปิดเรียว่าเปิดช่องทางให้รับรู้ว่ามีความต้องการนะต้องการความช่วยเหลือต้องการจิตอาสาที่ผู้หลงก็พากันมาชวนกันมา หรือว่าบอกข่าวต่อต่อกันซึ่งมันก็ดีนะเพราะว่าคนทุกวันนี้เนี่ยนะบางทีก็อยู่กับสิ่งที่มันไม่ค่อยได้สร้างสรรค์เท่าไหร่หรือว่ายังไม่ค่อยเกิดประโยชน์ให้เห็นเป็นรูปธรรมเท่าไหร่หลายคนก็ใช้เวลาจานวนมากอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่หน้า จอโทรศัพท์มือถือก้มหน้าดูโทรศัพท์ใช้เวลาไปกับโซเชียลมีเดียเยอะแต่ว่าไอ้สิ่งที่ทำในโซเชียลมีเดียเช่น a c e b o o กก็มักจะหลายครั้งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องสร้างสรรค์นะคอมเมนต์ต่อว่าตำหนติติเตียนในะการที่ได้มาทำอะไรสร้างสรรค์กับมือของตัวเองเนะี่ยเช่น นันมาปลูกต้นไม้มาหยอดถั่วด้วยความหวังว่ามันจะกลายเป็นจะมีส่วนช่วยฟื้นฟูนฟนป่าได้นันก็เป็นการเติมพลังบวกเข้าไปในใจสมัยนี้ผู้คนเขา ก, ก็ได้รับพลังลบนะจากสิ่งรอบตัวมากนะจากสื่อต่างๆ โซเชียลมีเดียจากผู้คนรอบข้างก็ต่างเติมเพิ่มพลังลบให้กับกันและกันเวลาคุยกันก็คุยเรื่องที่มันเป็นเรื่องลบๆเรื่องร้ายๆมันก็เท่ากับเติมพลังลบให้กับกันและกันมากขึ้นชื่อมันก็เสียสมดุลไปแต่ถ้าเกิดว่าคนเราได้ทา ได้ทำความดีที่มันเป็นสิ่งสร้างสารรค์ไม่ใช่เพื่อตัวเองอย่างเดียวแต่เพื่อส่วนรวมมันก็ทำให้จิตใจนะมีความสุขนะพลังบวก็ทำให้คนเรามีทั้งกายและใจดีเราเคยเล่าไปแล้วนะว่าในบ้านพักคนชารานะซึ่งเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ แล้วก็มีการดูแลใจใสเพื่อให้คนชราเขาปลอดภัยมีสุขอนามัยอย่างอย่างในอเมริกานี่มีบ้านทักคนชราแบบนี้เยอะหลดับสูงใช้เงินเรียกว่าใช้เงินมากแต่คนจำนวนมากเนี่ยคนชราจำนวนมากเนี่ยซึ่งอายุเนี่ย ก้าสิบมังเหยียบ้อยมางวันี้ก็หงอยเหงาไม่มีชื่อชื่อวา่านอนติดเตียงบางทีก็เมื่อรลอยไม่พูดไม่คุยกับใครบางคนก็ไม่อยากจะออกจากห้องเลยแต่ว่าพอให้เอาต้นไม้มามาวางไว้ในห้องกลุ่มนึงก็ มีคนช่วยลดน้าตนมาให้อีกกลุ่มหนึ่งให้คนชราก็าลดน้ําเองลดน้าทุกวันทุกวันพอผ่านไปปีนึงปรากฏว่าคนชรากลุ่มสองนี่ <c oughs> ใช้ยาน้อยลงนะ <c oughs> พวกยาปฏิชีวนะยายาที่คลายความเครียดยาลดการติดเชือ้อพวกนี้น้อยลง แล้วก็มีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วแถมยังมีอายุยืนกับกลุ่มที่กลุ่มแรกด้วยกลุ่มแรกมีดอกไม้มีต้นไม้อยู่ในห้องซึ่งก็ดีกว่าไม่มีนะถ้าไม่มีนิ่งเล็กยิ่งแล้วใหญ่แต่มีแล้วเนี่ยมันก็ยังให้ผลต่างกันร่ว่งคนที่ลดน้ํากับคนที่มีผูอ้อื่นมาช่วยลดให้แล้วเวลาลดน้ำนี่มันก็เหมือนกับว่ามีความรู้สึก ผูก พ, พันความสุกผูกพันความห่วงใหญ่แล้วก็ได้รู้สึกวเออเราได้ทําอะไรที่มีประโยชน์แล้วก็เห็นความเจริญงอกงามของต้นไม้เห็นความเขียวถ้เป็นความเขียวขจีที่ตัวมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่เฝ้าดูเฉยเฉยเฝ้าดูคนทําความดีหรือเฝ้าดูการทําดีนี่มันก็มีประโยชน์นะมันก็เป็นการเติมพลังบวกกับจิตใจเวลาเห็นคนทําดีแล้วเราก็ เกิดกำลังใจอย่างทุกวันนี้นะมีการแชร์วィィิดีโอคลิปเกี่ยวกับคนทำความดีหรือเรื่องราวคนทำความดีต่างๆที่น่าประทับใจนะเราอ่านเราเห็นเราดูเราก็รู้สึกนะปรับกลืมเกิดความรู้สึกเป็นสุขแต่มันจะดียิ่งขึ้นจะเป็นสุขมากขึ้นถ้าเกิด ว, ว่าได้ ได้ลงมือเข้าไปทำด้วยตัวเองอย่างนคนปลูกต้นไม้กับคนที่ไปปลูกเองนี่มันเอาความรู้สึกมันต่างกันทคนเรานี่ถ้าว่าได้ทำความดีได้สิ่งทำสิ่งที่สร้างสรรโดยเพราะการปลูกต้นไม้อันนี้มันเป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัดมันก็เท่ากับว่าเติมพลังบวกให้กับ ร่าการจิตใจถึงแม้ว่าการรดน้ำจะเหนื่อยนะและเสียเวลานะไม่ไม่ดีเท่ามีคนอื่นมารดน้ำให้หรือว่าการไปปลูกต้นไม้การ ป, ปลูกถั่วนี่มันเสียเวลาเยอะเดินทางกันมาถึงภูหลงแต่มัองเดินขึ้นเขาเหนื่อยร้อนนะสู้อยู่ในอยู่ที่บ้าน แล้วก็ฟังข่าวดูคลิปคนมาปลูกถั่วหยอดถั่วมันต่างกันเยอะอยู่ที่บ้านอยู่ในห้องแอร์กออ็มีส่วนร่วมรับรู้ว่าคนนั้นคนนี้ก็ทำความดีเข้ามาหยอดถั่วทั่วภูมีความยินดีแต่มันสู้มันเหนื่อยมันยากนะมาทำความดีด้วยตัวเองด้วยมือของตัวเองไม่ได้ นีนมันจะเหนื่อยมันจะยากก็ตามอันนี้ก็บังเนี่ยคนเราเป็นหให้คนร้อนหวยหาหวยหาโอกาสที่จะทำความดียิ่งถ้ามามาทำกันเป็นกลุ่มนะยนนิ่งมีความสุขในความเหนื่อยความลำบากมันก็จะเป็นปัญหาน้อยลง อาจจะรู้สึกดีด้วยซ้าที่มาลำบากด้วยกันมาทุกข์ด้วยกันเนี่ยมันก็ช่วยประสานน้ำใจให้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นเพราะว่าแต่ละคนก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์คนเราเทัศน์สึกว่าคนนั้นคนนี้เป็นมีประสบการณ์เดียวกับเราทำสิ่งเดียวกันมีประสบการณ์เดียวกันรู้สึกเหมือนกันเนี่ยมัน ก็จะดึงดูดกระชับนะความสมบัตให้นั่นแฟนมากขึ้นมาเดินขึ้นเขาด้วยกันเหนื่อยด้วยกันร้อนด้วยกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นประโยชน์ของนะ ก, การเป็นจิตอาสาจิตอาสาถ้าหากว่ามาทำความดีแล้วมาทำความดีร่วมกันเนี่ยมันก็จะเกิดพลังบางอย่างซึ่งคนที่ไม่ทำก็จะไม่รู้นะคนที่ไม่ทำก็สูามันเหนื่อยมันยาก ยิมมาลองทำดูใหม่ๆมันก็เหนื่อยมันก็ยากก็ลําบากก็ร้อนแต่พอผ่านไปพอเสร็จงานหรือว่าพอตกเย็นไอ้ความเหนื่อยหายไปสิ่งที่แทนที่คือความความสุขความยินดีความปราบปื้มความภาพภูมิใจถ้าเมืองไทยเราตัวนี้มีให้ โอกาสที่คนเราจะทำความดีแบบนี้มันก็ยังน้อยนะมันก็ยังน้อยถ้าเป็นมุกน้อนนี่โอกาสที่ทำความดีแบบนี้เยอะแยะแล้วเขาก็มีช่องทางต่างๆมากคนไทยตอนนี้ก็มีหมน่วยงานเพื่อธนาคารจิตอาสาธ น, นาคารจิตอาสานี่ก็กคล้ายๆเป็นตัวกาลางรับรับทราบว่ามีใครต้องการอยากจะช่วยเหลืออยากจะสละเวลา มาแจ้งเอาไว้มาบอกเอาไว้ว่าเนี่ยวันอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งฉันมีเวลาเท่าไหร่และฉันอยากจะทำอะไรหรือถนัดทำอะไรเด้ยวยกันก็ที่ไหนที่เขาต้องการติดอาสาเขาก็มาแจ้งข่าวคราวก็เลยเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างคนที่อยากช่วยกับคนที่ประสบความเดือดร้อ น, นโอกาสที่ที่ได้ทาความดีก็เปิดกว้าง แล้วก็มีช่องทางมากแต่ก็ยังยังยังไม่มากเท่าไหร่นะเมื่อเทียบกับจำนวนคนที่อยากทำความดีแต่การทำความดีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายน ะ, ะการทำความดีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าหลายคนนี่ที่มามาปลูกถั่วก็มาด้วยความรู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่าอยากจะไปเป็นจิตอาสา แล้วก็มันเป็นเรื่องแปลกเนะีไม่เคยได้ยินว่มีหยอดถั่วเพื่อฟื้นฟูป่านะมีแต่ว่าเออ ม, มาปลูกป่ากันพอมีพอมีข่าวข่าวเรื่องนี้นะแล้วก็รู้ว่ามีการระดมคนระดมพลกันก็เกิดความตื่นเต้นนะเกิดความสนุกนะบางคนมีนะ่ะเครื่อง อุปกรณ์เดินป่าอุปกรณ์นะที่จะประจนภายแล้วไม่ค่อยได้ใช้เป็นโอกาสที่จะเอาอุปกรณ์ต่างๆมามาใช้งานเสียทีอันนี้ก็เป็นแรงจูงใจของคนอจำนวนไม่น้อยมันเป็นเรื่องสนุกเรื่องตื่นเต้นนอกจะกทำความดีแล้วมันสนุกด้วยก็มากันแต่พอมาคือ มาถึงงานนะต้องเดินเดินไกลต้องปีนเขาแสนวันเจอเจอแดนะมันก็มีนะที่เรียกว่าท้อเหมือนกันนะมาทํางานได้ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ท้อแล้วนะไอความรู้สึกตื่นเต้นความสนุกมันก็เลือนหายไปมันมีแต่ความคิดว่าเออเมื่อไรจะเสร็จสักทีเมื่อไรจะเสร็จสักทนะีอันนี้ก็ธรรมดานะ ไอ้ความคิดกับการกระทําความคิดความจริงมันไม่เหมือนกันเวลาจะมาก็วาดภาพวาดภาพาเอาได้มายอดทัวมันจะโสศกนาฏตื่นเต้นยังไงแต่พอลงมือทานี่มันเป็นอีกเรื่องหนึง่งจริงมันก็เหมือนกับมันก็เหมือนกับทุกอย่างนะเวลาเราคิดจะทำอะไรนี่ไอ้ตอนคิดเนี่ยมันก็จะรู้สึกสนุกตื่นเต้นเป็นของใหม่แต่พอลงมือทาเนี่ยนะมันเป็นอีกเรื่องหนึง่ง เวลาคิดว่าเราจะปลูกสวนเราจะลงต้นเวลาเราจะทำสวนหน้าบ้า น, นมันสนุกนะที่จะได้คิดว่าเออจะตรงนี้จะปลูกอะไรมีการดีไซน์มีการวางแผนเออแล้วก็มีความสุขที่ได้ไปซื้อมาซื้อต้นไม้ซื้ออุปกรณ์ทำสวนแต่พอลงมือทำนีน่หลายคนก็ทำได้ไม่นานทำได้แค่วันสองวันก็เลิก พ่อมันเหนื่อมันยากมันลําบากไม่ต้องทาส่วนนะแค่ถักโครเชต์ถักนิตติง้งหลายคนเนี่ยเห็นเขาเห็นคนนั้นทําคนนี้ทําเห็นรายการโทรทัศน์เขาแนะนําการถักโครเชต์ถักนิตติง้งว่ามันดีอย่างนี้นดีอย่างนี้โเห็นแล้วก็ อ, อยากทําไปเลยนะไปไปห้าสัปสินค้าซื้อนะซื้อไหมซื้ออุปกรณ์นะ ไอ้ที่ถักโครเชตนี่มันก็มีหลายแบบมีหลายหลายขนาดก็เหมาหมดนะตั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ไอ้ตอนซื้อก็มีความสุขนะได้ของใหม่มากลับมาถึงบ้านก็ฝันว่าจะเราจะถักโครเชตนะ์เป็นการทำสมาธิไปด้วยถักนิตติง้งเป็นการผ่อนคลายแต่ถึงเวลาทำจริงๆมันมันทำได้ไม่นานคือทำไปได้สักพักก็เบื่อ เบื่อยิ่งมีร่วมมีอะไรอย่างอื่นที่น่าทำมากกว่านะก็เลก็เลิกนะเคยทักเคยคิดว่าจะทักนะไหมพรมเป็น ผ, นผู้เป็นผ้าปูเตียงแต่ทำไปทั้งวันมันก็ได้นิดเดียวจากผ้าปูเตียงก็เลยลดเหลือแค่เป็นที่รองแก้วพืว่นะั้นลดขนาดลงอย่างรวดเร็ว อันนี้มีนะมีเยอะด้วยตั้งใจจะถักทอผ้าปูเตียงทําไปทํามามันก็เหลือแค่จานรองแก้วแค่นั้นแหละให้ความคิดที่จะทําดีกับการลงมือทํานี่เป็นคนละเรื่องนะความคิดกับความจริงไม่เหมือนกันอันนี้เราก็เห็นนะ้คนที่มาปลูกถั่วมาเป็นพันแต่ว่าไอ้ที่ทอหลังจากที่ทำไปได้แค่ครึ่งวันทําไปได้แค่ชั่วโมงหนึ่ง สองชั่วโมงก็คิดแล้วเออเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีหรือว่าอยากจะเลิกแล้วถ้าไม่มีถ้าไม่มีไม่มีการเตรียมใจไม่มีการสุดใจนีนะมันก็ก็เลิกง่ายเลยเพราะเวลาคนทำด้วยอารมณ์นะใครที่ทำด้วยอารมณ์นะในตอนอารมณ์สนุกเนี่ยมันก็ทำใหญ่เลย หรือว่าทำให้เกิดความกระตือล้ น, ลนที่อยากจะทำแต่ความสนุกเนี่ยมันก็มักจะอยู่ไม่ได้นานอยู่ไม่ได้นานทำไปทักพักก็เบื่อพอเบื่อแล้วเนี่ยถ้าทาไปด้วยอารมณ์นะมันก็ไม่อยากทำแนละ้แต่ถ้าทำด้วยด้วยความตั้งใจความมุ่งมั่นรู้จักดูจิตดูใจมีสติตกําหนดจิตอยู่กับการทำงาน เกิดเป็นสมาธิขึ้นมารู้จักรักษาใจเวลามันบนเวลามันวนุ่นวายก็รู้ทันมันวางมันลงอันนี้ก็ทําให้ได้ทําได้นานคนเราเนี่ยถ้าทำอะไรด้วยอารมณ์เนี่ยมันก็ตื่นเต้นช่วงแรงหลายคนพอได้มาทําสมาธิโอ้ยรู้สึกดีนยอยากจะบวชคนที่มาบวช ด, ด้วยอารมณ์เนี่ยคือ อยากด้วยลมที่ว่ามันเกิดความสงบเกิดความปิติจากการปฏิบัติจากการภาวนาได้ฟังครูบาอาจารย์พูดถึงเรื่องนะการต่อสู้กับความทุกข์ประโยชน์การค้นทุกข์เนี่ยเกิดเรียกว่าเกิดไฟขึ้นมาอยากจะบวชบวชแล้วก็ตั้งใจว่าจะบวชตลอดชีวิตเลยนะถ้าไม่ถ้าไม่ค้นทุกข์ก็ไม่ไม่สึกในแบบนี้อยู่ไม่ได้นานนะนะบวช ด, ด้วยอารมณ์ก็ไปด้วยอารมณ์สึกด้วยอารมณ์เหมือนกัน ก็อารมณ์เนี่ยมันก็เหมือนกับเหมือนกับไฟไม่ฟางนะมันเกิดขึ้นง่ายแต่มันก็ดับเร็วมาปฏิบัติธรรมเพราะเพราะมีไฟนอันนี้ก็ดีอยู่นะแต่มันต้องรู้จักหล่อไฟให้มันให้มันต่อเนื่องเพราะว่าอะไรอะไรที่มันจะดับไฟมันมีเยอะมากภาวนาไปสักหนึ่งวันสองวันสามวันไอ้ที่ที่เคยสงบมันก็เริ่ม กระทึกวุ่นวายแดดไอตอนที่ปฏิบัติใหม่ๆอากาศมันย็นสบายแต่ว่าทําไปทำไปให้มันร้อนมันอบมันอ้าวแถมปฏิบัติไปแล้วความสงบมันไม่ที่เคยมีมันไม่มีมันหายไปเกิดความหยินมาแทนที่ไอเงี้ยมันก็จะท้องง่ายแล้วก็เลิกงั้จะทําจะทําอะไรเนี่ยด้วยความรู้สึกเออมันสนุกมันตื่นเต้นแค่นี้ไม่พอเพราะว่า มันทำไปชอบพักก็เบื่อตื่นเต้นที่ได้ทำสวนทำไปแค่วันสองวันก็เบื่อตื่นเต้นสนุกที่ได้ถักนิตติง้งทำไปแค่2ัสองวันก็เบื่อแล้วก็เลิกบางทีก็เร็วกว่นนั้นนะอย่างคนที่มาปลูกถัว่วมาด้วยความสนุกความตื่นเต้นตอนที่เรียกระดมผลนี่โอ้ยคึกคักมากเลยตอนเช้าแต่ว่าพอ ลงไปถึงแปลงตอนชั่วโมงแรกก็ยังคึกคักอยู่นะแต่พอทําไปทําไปแดดรอด้อนเหนื่อยก็เหนื่อยแถมว่าทําไปมันก็ยังคืบเคลื่อนได้ไม่เท่าไหร่หยอดทีละหลุมทีละหลุมนะห่างกันคนละเก้าผ่านไปชั่วโมงก็ยังไปได้ไม่ไม่ถึงไหนเลยไอ้ถั่วในถุงก็ยังเยอะอยู่ย ไ, ไม่รู้ทยังไงวานซะเลย หวานถ้างนได้เสร็จเร็วๆจะได้รีบกนละับเนี่ยเพราะถ้ายัางถั่วมีอยู่ในถุงมันจะไอข้ออ้างมันจะกลับเนะี่ยมันก็ไม่มนะีอันนี้ก็เกิดความเสียหายขึ้มาเหมือนเหมือนกันนะเพราะว่าไอถั่วที่จะได้มันก็หายากต้องระดมกันมากมายคนที่เขาระดมมาเขาก็มองตัดปิดๆนะเห็นคนหวานถั่วมันอย่างนั้นหวานนันคนหวานก็สนุกนะเพราะว่ามัน มันหมดเร็วนะมัเหมือนยอดหยอดนี่ชั่วโมงนึงก็พร่องนิดเดียวเองคิดว่ามันจะเร็วนะแต่ถั่วมันเยอะแล้วก็มันเล็กมากงานนี้มันก็ยังมันสอนอีกนะว่าในที่แรกนี่เรากล่าวว่าจะต้องการนกคนสักสี่ห้าร้อยคนอย่างที่ว่านะแต่พอม า, มาเป็นพันไม่ได้หลายคนที่มาก็ไม่ได้แจ้ง แล้วก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเท่าไหร่เช่นอาหารถั่วก็ไม่ได้เอามามาตัวเปล่าอันนี้มันก็ทำให้เกิดปัญหาในการทางานคนคนล้นงานคนมากกว่า ง, งานที่จริงงานมันก็ใช้คนเียอะแต่ว่าพอพอมาแบบนี้แล้วนก็ทำให้งานมันก็ไม่ไม่ค่อยได้ เยอะตามจมอนวนคนมันก็ชื้ใเห็นนะว่าไอ้ที่แรกเวยแล้วเราเราเราคิดงานเนี่ยนะมันก็เราก็เชื่อมเป็นงานของเราเนี่ยเป็นงานของเราแต่พอมันพอเราประกาศออกไปแล้วเนี่ยงานไม่ใช่ของเราแล้วเนีงานเป็นของใครก็ไม่รู้งานกลเป็นของผู้คนนะที่รับรู้ข่าวคราว คนนี้ก็มาคนนั้นอยากจะมาหน่วยราชาการก็มาเอากเอบอบาตเทศบาลต่างก็มาโรงเรียนต่างก็ขนคนขนเด็กมามันเห็นชัดเลยนะอที่คิดว่าเป็นงานของเรางานของเราเนี่ยถ้าเราเยี่เป็นงานของเรานี่ยทุกข์มากเลยนะในความเป็นจริงเนี่ยนะเพียงแค่ประ ก, กาศไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่งานของเราแนละ้วเป็นงานของใครก็ไม่รู้ทุกคนก็อยากจะมีส่วนร่วม ถ้ า, า, เ, าเรายังคิดว่าเป็นงานของเราเป็นงานของเรามันก็จะทุกข์นะเพราะความจริงตอนนั้นมันไม่ใช่งานของเราเป็นเป็นงานของใครก็ไม่รู้เมื่อเมือนการเขียนเขียนเขียนหนังสือเขียนข้อความนทีแรกเราเขียนว่าโดยจุดมุ่งหมายแบบนี้นะพอเราเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือทางเฟซบุ๊กนี่คนก็ตัดต่อตัดตอนตัดบางย่อหน้าตัดบางประโยคแล้วก็เผยแพร่ เผยแพร่ไปตามความคิดของตัวด้วยเจตนาที่แตกต่างากับเราไอเราตั้งใจแบบนี้ถึงเขียนแบบนี้แต่คนเขาตีความไปอีกแบบนึงแล้วเขาก็เอาข้อความนั่นแหละไปเผยแพร่เพื่อไปไปยืนยันความคิดของเขาซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความคิดของเราไอประโยคที่เราเขียนตัวอักษรที่เราผสมนี่ถึงตอนนั้นไม่ใช่ของเราแล้วมันเป็นของใครก็ไม่รู้เป็นของสาธารณะไปแล้วน ตีความอไปตามชอบไปตามใจชอบนะเขียนไปอธิบายอาไปตามใจชอบอันนี้ก็ธรรมดานะถ้าไปย่อเป็นงานของเราเป็นงานของเราจะทุกข์มากเลยเพราะเขาตีความไม่เหมือนเราเขาอธิบายเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องไปใช้ในทางที่มันไม่ตรงกับเจตนาลมของเราอันนี้มันต้องทําใจแล้วนะ อะไรก็ตามที่มันพอเผยแพร่ไปมันไม่ใช่ของเราแล้วเป็นของสาธารณะเลยนะมันก็ปลูกถั่วนี่ไงไปมามันกลายเป็นงานของสาธารณะของผู้คนมากมายเขาก็มาทำอะไรของเขาตามที่เขาอยากจะทําหรือตามที่เขาเข้าใจเขารู้นะ่าจะทาด้วยความปรารถนาดีนะอันนี้มันก็เป็นธรรมดาเราก็ได้เรียนรู้ไปนะจากการจากการทํางาน อะไรที่เกิดขึ้นล้วแล้วจะเป็นของดีทั้งนั้นนะมันมีประโยชน์ให้เราเรียนรู้นะทั้งบวชทั้งเราก็็ล้วนแมีประโยชน์มันสอนเรานะแล้วก็มันทําให้เราได้ได้ประสบการณ์ได้ความคิดง่อแงเลยมากขึ้นก็เป็นความการเรียนรู้แบบหนึ่งที่มีค่านะชานิพพุนท่านนี้านอากาศครับ